ค่อคำของพระอริยะที่กล่าวถึงในหลวงราชการที่9้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9ก้ทรงเป็นที่ยอมรับจากพระอริยะและผู้ทรงคุณธรรมหลายท่านว่าทรงสนพระไทยในการศึกษาปฏิบัติธรรมทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนากรรมฐานทรงสนใจจริงๆังทั้งขณะทรงผนวดและหลังทรงลาสิกขาแล้ว ยังทรงนิมนต์พระกรรมฐานให้มาแสดงพระธรรมเทศนาในพระราชวังเป็นประจำดังปรากฏหลักฐานในหนังสือและเสียงเทศของครูบาอาจารย์มากมายพระองค์คือผู้ทรงฌานขั้นสูงให้ลองสังเกตนะครับว่าไม่ว่าในหลวงเสด็จไปที่ไหนจะทรงนิ่งมากๆ ในขณะที่คนอื่นขยับแล้วขยับอีกซึ่งครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่านี่คือลักษณะของผู้ที่ทรงฌานขั้นสูงจึงทำให้ทรงนิ่งเฉยได้ในทุกสถานที่แม้ว่าจะทรงเหนื่อยหรือต้องเจอสภาวะกดดันต่างๆก็ทรงประทับนิ่งไม่ขยับขยื้อนเป็นเวลานานหรือตลอดทั้งวัน รวมคาพูดจากพระอริยะหลายรูปที่กล่าวถึงในหลวงราชกาลที่เก้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกิจทางพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่พระชนมพันศาอย่างน้อยทรงพอพระราชหฤทัยในการฟังเทศที่มีอยู่เป็นประจํา เมื่อได้ส่งพบปักกับพระมหาเถระผู้ใหญ่ก็มีพระราชบุตรชาและทรงสดับข้อธรรมนั้นๆอยู่เนืองเนืองพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวดด้วยพระราชศรัทธาที่ตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงประกอบด้วยพระปัญญาและได้ส่งปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดด้านที่เป็นการส่วนพระองค์นั้น ก็ส่งปฏิบัติพระองค์ยึดมั่นอยู่ในคุณธรรมของพระพุทธศาสนามีราชธรรมเป็นต้นส่งศึกษาพระพุทธศาสนาและส่งนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังท่งบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ในโอกาสต่างๆและบำรุงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นจำนวนมากมีได้ขาดสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆบรินายก ทรงได้รับการยอมรับโดยคณะสงฆ์จากทุกนิกายว่าทรงเป็นนักปริยัติที่เป็นพู้หูสูตรคือรอบรู้และทรงเป็นนักปฏิบัติที่เคร่งครัดและเป็นพระองค์แรกที่มีมติจากผู้นำชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก32ประเทศทูลถวายให้เป็นผู้นำสูงสุดในหลวงพระองค์เนี้ยท่านเป็นพระโพธิสัตว์นะ ท่านเจ้าคุณนรรัตราชมานิตพระผู้เคร่งครัดในศีลหลงทําวัดไม่เคยขาดสละตําแหน่งไปบวชตลอดชีวิตผู้มีตะบะแก่กล้าสามารถกำจัดพิษงูได้ด้วยสมาธิโดยไม่ต้องไปหาหมอพระองค์มัวแต่เป็นห่วงคนอื่นแต่ไม่ทรงห่วงพระองค์เองบ้างเลย หลวงปู่แหวนสุจินโนพระอริยะเจ้าที่คนไทยรู้จักกันดีมีข้อวัดปฏิบัติที่เคร่งครัดทรงคุณธรรมไม่รู้ว่าพ่อหลวงแม่หลวงของไทยทำงานปรารถนาความเป็นอะไรทำงานกันจนไม่มีเวลาพักผ่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี นี่คือหัวใจของชาติไทยเราให้พากันเทิดทูนอย่าพากันดูถูกเหยียดหยามทำลายหลวงตาพระมหาบัวยาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดพระผู้ได้รับการชื่นชมจากหลวงปู่มั่นและพระอริยะหลายรูปสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติมากมายผมกับเล็บของท่านกลายเป็นพระธาตุตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ ติดตามฟังเรื่องราวทั้งหมดจากสายรักดีพระคุณหลวงตาและสีดีเสียงอ่านหลวงตาวัดป่าบ้านตาดดาวน์โหลดได้ฟรีที่โจโจดอเน็ตนะครับหลวงปู่สิมพุทธาจาโรได้กล่าวรับรองไว้ด้วยองค์เองทีเดียวว่าครูบาข่าวปีวัดพระพุทธบาทผาน้นาเคยเป็นช้างนาราคีริงส่วนในหลวงองค์ปัจจุบัน เป็นช้างป่าเลไลหมายเหตุช้างป่าเลไลคือพระโพธิสัตว์หลวงปู่ดูพรหมปัญโยรักในหลวงมากสวดมนต์ถวายในหลวงทุกวันในสมัยที่หลวงปู่มีชีวิตท่านจะกำชับให้ลูกศิษย์ให้เอาบุญจากการภาวนารวมเข้ากับบุญของพระพุทธเจ้า และพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายถวายให้ในหลวงรวมทั้งแผ่เมตตาให้เทพเทวาผู้ปกปักรักษาพระองค์ท่านให้มีความสุขแล้วก็กรวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรของพระองค์ท่านให้ไปเกิดในสุขติภูมิหลวงปู่กล่าวว่าหากไม่มีในหลวงพระพุทธศาสนาก็ตั้งอยู่ไม่ได้หลายครั้งที่ลูกศิษย์จะรับทราบได้ว่าหลวงปู่จะเข้าที่อธิษฐาน เพื่อช่วยในหลวงในยามที่พระองค์ทรงพระประชวนเวลานี้บ้านเมืองของเราอยู่เพราะในหลวงองค์เดียวเท่านั้นไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ที่ในหลวงจะเสด็จเหยียบแผ่นดินไทยไปทุกย่อมยากเหมือนในหลวงพระองค์นี้เพราะฉะนั้นให้สวดมนต์ภาวนาน้อมจิตน้อมใจอธิษฐานจิต ขอให้ในหลวงทรงพระชนมายุยืนนานถึงร้อยปี200ปีหลวงพ่อพุทธยังกล่าวอีกเป็นเชิงว่าพระจริยวัรของในหลวงเป็นไปเช่นเดียวกันกับพระโพธิสัตว์หลวงพ่อพุทธฐานิโยพระราชสังวรยานพระวิปัสสนาจารย์ผู้เคร่งครัดในศีลในธรรมและเชี่ยวชาญในวิปัสสนากรรมฐาน มีคนพูดถึงผู้ยิ่งใหญ่ระดับประเทศให้หลวงพ่ออุตมะฟังท่านเฉยมากก่อนจะปรารบว่าเขาไม่ได้ทำประโยชน์อะไรมากเหมือนกับในหลวงหรอกหลวงพ่ออุตมะพระครูอุ ด, ดมสิทธาจารย์วัดวังวิเวการามพระชาวพม่าผู้เคร่งครัดที่ภายหลังย้ายมาจำพรรษาและสร้างวัดที่กาญจนบุรี มีแต่คนไม่ฉลาดเท่านั้นที่จะไม่รู้ว่าในหลวงพระองค์นี้มีดีอย่างไรพระอาจารย์วันอุตตโมพระอุดมสังวรวิสุทธิเถระพระอุปถากหลงปู่มั่นภูริทัตโตที่ทำหน้าที่ยาวนานที่สุดกระแสจิตของพระองค์ท่านมีพลัง พลังที่เกิดจากการปฏิบัติที่ดีครูบาพรมจักวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระผู้นิยมการทุดงอยู่ป่าเป็นวัดและเมื่อมอรณาภาพอัติกลายเป็นพระาธาตุลูกศิษย์ท่านหนึ่งยืนยันว่าหลวงปู่ท่านกล่าวด้วยตนเองว่าในหลวงเป็นพระโพธิสัตว์หลวงปู่บุญยริษ ปันดิตโตพระธรรมทูตที่แตกฉานในพระไตรปิฎกและวิปัสสนากรรมฐานอาจารย์พรรัตนสุวรรณได้กล่าวไว้ประมาณว่าในหลวงทรงมีพลังเมตตาสูงมากเป็นลักษณะผู้มีบุญผู้ปฏิบัติธรรมจะเข้าถึงธรรมไม่ได้ หากไม่เชื่อในพระบารมีของพระพุทธเจ้าประเทศชาติคงวุ่นวายหากประชาชนไม่เชื่อมั่นในพระอริยภาพและการเป็นผู้ทรงคุณธรรมของในหลวงพระองค์นี้อาจารย์พรรัตนสุวรรณเป็นผู้เชี่ยวชาญพระไตรปิฎกชำระพระไตรปิฎกฉบับอัฏฐกถาแต่งตำราพระอาภิธรรมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิปัสสนาและสมาธิผู้ก่อตั้งธรรมวิจัยพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแคมป์สนและอื่นๆ